เรามาวัดด้วยหลายสาเหตุบางคนก็มาวัดเพราะอยากจะทำบุญบางคนก็อยากจะมาอยากได้ของดีนะได้ของดีเพื่ออะไรนะก็เพื่อให้เกิดโชคเกิดลาบนะหรือบางทีก็อาจจะเป็นของดีเพื่อทำให้เกิด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 เสียงดังแต่ถ้าไม่รบกวนนี่ก็ไม่ถือว่าทำลายความสงบนะอย่างพวกที่ชอบฟังเพลงเนี่ยเพลงร็อกเพลงเฮฟวี่เปิดดังๆเนี่ยเขาไม่รู้สึกว่ามันรบกวนเขาเลยนะเขาไม่รู้สึกว่าสูญเสียความสงบนะถ้าต้อที่เสียงดังกระหึ่มนะ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 หรือว่าทักทายแต่ว่าตอนนั้นกำลังมีสมาธิกับการอ่านหรือมีสมาธิกับการทำงานก็ไม่รู้สึกว่าเสียงนั้นรบกวนเ่าเลยเรียนกะไม่ได้ยินได้ซ้ำนะอันนี้เรกว่าใจเนี่ยนะมีสมาธนะิเสียงก็เลยทำอะไรไม่ได้นะแต่ว่านอกจากสมาธิแล้วเนี่ย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 แต่ว่ากฎติเต็มเพราะฉะนั้นเนี่ยจะขอให้น้องชายพักกับกฎติของท่านได้ไหมท่านในที่นี้คือพี่ชายนะอาจารย์พรหมก็บอกไม่เป็นไรนะแต่ว่าเตือนไว้ก็ว่าเนี่ยแล้วน้องชายท่านอาจจะกลนนะคือ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 ปัจจัยไปนอกทําอะไรจิตใจเราไม่ได้ถ้าใจเรานี่ไม่ได้เปิดช่องให้หรือว่าไม่ไปไปร่วมมือหรือไปทะเลาะเบาแหวกกับเสียงนั้นหรือบางทีก็ไปยอมให้เสียงนั้นเนี่ยมาเล่นงานจิตใจนะอย่างมีเรื่องเล่าว่าหลวงปู่บุต ด, ดาเนี่ยท่านเคยได้รับนิ ม, มนต์ให้มาฉันเพลงในกรุงเทพท่านก็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 เวลาจะคุยกันกระซิบกระซาบกลัวเสียงจะไปรบกวนหลวงปวู ด, ดาแต่บนห้องที่ติด ก, กันเนี่ยมันเป็นห้องแถวนะ้ันชำํำเจ้าของเนี่ยคืออาซิมนะคนจีนสมัยก่อนนี่เขาสวมเกีย้ยนะเป็นเกีย้ยไม้นะไม่ใช่รองเท้าย า, อยางอย่างที่เราใส่อยู่ปัจจุบันสมัยก่อนนี่เกีย้ยนี่คนจีนเขนิยมใส่ เวลาสวมเกี้นในเดินก็ดังยิ่งขึ้นบันไดแล้วก็ยิ่งดังใหญ่เพราะบันไดเป็นไม้เสียงก็ดังเข้ามาถึงในห้องหลวงปู่บุดดาลูกศิษย์ก็ไม่พอใจหงุดหงิดลำคาญนะก็เลยเปรยมาว่าเนี่ยเดินไม่เก่งใจเลยเสียงดังจังหลวงปู่บุด ธ, ธาท่านหลับอยู่นะแต่ท่านไม่ได้หลับท่านหลับตาแต่ท่านไม่ได้หลับด้วยได้ยินก็เลย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 หว่ามอเตอร์ไซดังนะเสียงมอเตอร์ไซดังแล้วรู้สึกว่ามันไม่สงบเลยนะทําไมเสียงมอเตอร์ไซดังอย่างนี้นะเกิดความไม่พอใจก็ให้รู้ว่าเนี่ยเอาหัวไปลองล้อมอเตอร์ไซด์แล้วเนี่ยทําไมถึงทําอย่างนั้นนะเพราะไม่มีสตินะไม่รู้ตัวเนี่นให้เราตระหนักนะว่าความสงบใจเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ว่าสิ่งภายนอกนะไม่ใช่ว่าสิ่งรอบตัวเราต้องสงบ